ท่านผู้ฟังท่านท่านผ่นอหลายวันนี้ตรงที่ยี่สิบห้าื่อหาคมสองพันห้ารอยสมสิห้าแล้วก็ว่าจะาบันทึกเรื่องราวของวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ยี่สิบสี่หลังจากเส้นองสือแล้วแล้วก็บันทึกเสียงหน้าหนังแล้วก็เริ่มนอนพอ น, นอนมาทึศที่เสถึงหมอน ก็เริ่มจับอนาปา น, นุสติกับมฐั น, นก็พุทธานุสติตั้งใจว่าจะชำระร่างกายจิตใ จ, ใจใสะอาดล้วจะไปพระจุลาจะไปเทวสภาถ้าจะไปนิพพานต่ว่าท่านนหลายก็เริ่มกำหนดจับลมหายใจเขาออกก็จะยินเสียงว่าวันนี้ไปสำนักคุทธคอนเมื่อหันครับมองไปเห็นเห็นพระยาโยมกในใยบัญชีท่านมา ถ้ามาย็นอยู่ข้างๆถ้าเห็นท้าหมหาราชทั้งสี่ย็นอยู่ด้วยท่านท้ามหาราชทั้งสี่ยืนยิ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท้าเวสุวรรณท่านบอกท่านบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปชี่รัสภาหรอกเพราะว่าพญายมมีเรื่องใหญ่ต้องไปสนับพญายมก่อนก็ยอมรับยังหันมาถามท่านพญายมบอกว่าลง ท่านบัลลุงระยายมเรียกตามลกูกลูกหลานเ <c oughs> มื่อลูกหลานต้งหลานเรียกท่านลุงก็เรียกตามท่านถ้าวบัลลุงมีธุระอะไรมากหรือท่านก็ตอบอกว่ามีธุระใหญ่ท่านมีความจาเป็นต้องไปสงเคราะห์เพราะสัตว์นรกที่ไปในวันนี้จะรได้สัตว์นรกทั้งหมดไม่ได้มีสภาพไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่จริงๆก็ต้องลงนรกแต่ก็มีคนอยู่สามสิบคนให้เทวดาไปรับมาแล้วก็ให้คอยทั้นอยู่เพราะว่าทั้งสามสิบคนนั่ขนขณะที่เทวดาพามาพ่ อ, อจากร่างแล้วเขารับมาระหว่างทางไม่ใครนักเธอก็นึกถึงชื่อคุณัเนเมื่อต้องเธอต้องการพบคุณ ถ้าต้องการเทวดาพามาพบท่นนี้เทวดาก็ไม่พามาพระไปที่ผมผงก็มีความจําเป็นต้องมารับคุณไป<ม>ก็ไปนั่นว่าพาตามนั่นพญายมไปก็ไปถึงห้องถงใหญ่ตานที่กล่าวมาแล้วมีแท่นแก้วประดับทองสูงใหญ่มีกุอแจ ก, ก็แก้วประดับทอง ม, มีลานห้องมีห้องกว้าง เมื่อไปถึงนั่งลงก็ไม่เห็นมีใครไม่เห็นท่าห้องว่างๆถามท่านพญายมว่าโพท่านอยู่ที่ไหนท่านพญายมบอกว่าเวลานี้ผ่กํลาลังให้เทวดาไปเรียกแล้วก็ประกาศให้ทุกคนทราบว่าทั้งหมดพระมาที่สนักพญายมแล้วใครต้องการจะพบพระบ้างให้เข้ามา ก็เป็นว่าสามสิบคนที่กล่าวถึงต่างคนต่างวิ่งเข้ามาในห้องถูงมาถึงแล้วก็กราบแต่คนทั้งหมดนับหมื่นยืนตัวแข็งก้มหน้าไม่มีใครเข้ามาท่ยานพระาจองทั้งเลยบอกว่าเนี่เป็นอย่างนี้ใ่รคนตายคนตายที่จะบ้านทำบุญให้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามคนนี่เมื่อเขาตายมาแล้ ว, ลวจิตออกจากด้านแล้วเทวดาทั้งสี่คนพามาระหว่างทางเขาก็ปรารถกกับพระยะกับนั่นต่อเทวดาว่าเขาอยากจะพบฤาษีดึงดําขอให้พาเขาไปแวะสิทนักฤาษีดึงดําก่อนแต่ว่าเทวดาไม่ยอมปฏิบัติตาม ทั้งนี้ก็เพระเทวดามีหน้าที่มาพามาที่นี่โดยเฉพาะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนั้นไม่ได้ในเมื่อเขาอ้อนวอนเทวดาก็บอกว่าท่านฤาษีดินดำที่พระท่านอยากจะพบท่านจะพบได้ที่สนักพญายมฉันมีหน้าที่อย่างเดียวรับท่านไปสนาพญายมเท่าะที่ฤาษีดินดำไม่ได้ แล้วก็เทวดาก็ถามว่าทําไมจะนึกสีถึงนึกสียังดําเมื่อก่อนจิตจะออกจากร่างทําไมจะไม่นึกถ้าทําไมจะมา น, นึกทีหลังเขาบอกว่าเมื่อก่อนจิตจิตจิตออกจากร่างมันมีนมทุกข์โหยทนามากนึกอะไรไม่ออกต่อมาเมื่อออกมาจากร่างแล้วมันมีอารมณ์โปรง่งร่างกายร่างกายเบาสบาย <c oughs> จิตใจก็ปลอดโปรง่ง ก็อยากจะพบฤาษีจึงดำท่นานเทวดาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพบได้ศี่นักพยาลมแล้วก็พ่ามาเวลานี้เขาประพาไปคอยที่นักผมแล้วครับที่มุนท่านไปก็เป็นว่าเดินไปกับพระยาลมท่านท้ามาร่าถ้าไปด้วยไปถึงที่ด้านปลงก็มีเทวดาตั้งแถวรับพอท้ามาร่าท่านมาท่านเป็นนาย พอเข้าไปถึงที่พักึังมีแท่นแก้วสูงมากตัวหนึ่งแท่นแล้วก็มีเก้าอี้ประดับทอและแก้วไว้กันตั้งเรียงรายอยู่อาตมาก็ไปนั่งเก้าอี้ตรงกลางพญา ย, ยมนั่งเ ก, ก้าอี้ขวานายวชีนั่งเ ก, ก้าอี้ซ้ายอืแล้วพญา ย, ยมท่างก็บอกว่าประเดี๋ยวผมแยกบุรินมาเข้าไปในห้องโถง ยังสั่งให้เทวดาไปประกาศว่าเวลานี้พระมาที่สนักพญายจมแล้วใครต้องการจยาพบพระบ้างให้มาที่นี่เทวดาก็ประกาศประกาศสักสองสามครั้งก็ปรากฏมีคนสามสิบคนวิ่งเข้ามาหาแล้ากราบเงยหน้าขึ้นส่วนนอกจากนั้นยินก้มหน้าเฉย <c oughs> ที่ยายจำท่านบอกว่าเนี่ยาตามธรรมดายคนที่มีบาปคนที่มีบาปหนักเมื่อตายมาแล้วญาติที่อยู่ข้างหลังไม่จะทํำบุญขนาดไหนก็ตามจะบวชพระจะสร้างบวชบวชพระบวชเมรุสร้างบวชวิหารการบริให้กุศลถ้าต่อใหท่านก็ทานก็ไม่มีโอกาสที่เยินเฉยยบิบแบบนั้นให้ทําบุญเท่าไรก็ไม่ได้รับเพราะเขามันไม่มีโอกาสมโนทนา ส่วนสามสิบคนนี่มาตายแล้วญาติมีคการเฉลิลาตไปถวายถวายสังฆทานที่ท่านให้เขาก็ได้รับโมทนาถามว่าแล้วทําทไมร่างกายยังไม่เป็นเทวดาก็ต่อบว่ายังอยู่เพราะความเข้มงใจเขาไม่อยู่ตัวใ น, นเมื่อเขารับโมทนาแล้วเขาก็มีความสุขในลรสดชื่นวิ่งได้ถ้าธรรมดาคนที่มาที่นี่นะวิ่งไม่ได้ ที่ยังเป็นเทวดาไม่ได้ก็คอยท่านต้องคอยท่านอีกองค์หนึ่งเขาจริงจะเป็นเทวดาได้ความจริงถ้าไม่พบท่านเขาก็เป็นได้แต่บุญมันน้อยไปถ้าพบท่านวันนี้บุญเขาจะมากขึ้นก็สงสัยว่าทําไมจึงมาเจาะจงบุญที่ฉันบุญที่อื่นก็ทําได้ท่านไดยบอกว่าเขาไม่สนใจเข้ททาสอบถามเขาดู ก็ถามเทวดาองค์หนึ่งที่อยู่ใกล้ว่าทำไมยังต้องการพบฉันเธอก็ตอบว่าในตอนก่อนผมทั้งหมดเนี่ยศึกษากันแล้วเขาให้ผมเป็นคนพูดแทนถ้าว่าถ้าพูดทั้งสามสิบคนเวลาจะไม่พอท่านจะไม่อยู่ท่านจะไปนึกต่างคนต่างก็กมอบพาระไอ้เวนาทีของผม ก็ถามเขาว่ามีทว่าจะพูดบ้างท่านก็เลยบอกว่าก่อนที่ผมจะตายให้ร่างกายมันตายแต่สมาธิถ้าจิตมันไม่ตาย อ, ออกมาจากเมื่อก่อนนี้มันจะตายมันก็มีอาการมุดตือจิตมืดคิดอะไรไม่ออก ภาวนาก็ไม่ได้คิดทั้งบุญอยางได้ยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องออกมาพบท่านทั้งสี่เข้าก็เดินตามท่านมาทั้งชนมาแล้วก็ถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้บ้างเขาบอกว่าผมทั้งสิบคนนี่มีสภาพเหมือนกันหมดคือว่าฟังเทศจากพระพระท่านเทศบอว่าตายแล้วมีสภาพศูน ใครทำความดีไว้มากกว่าศูนย์ใครทำความชั่วไว้มากกว่าศูนย์ไม่มีโอกาสารับผลแต่ขอทุกคนตั้งใจทำความดีผมก็นึกในใจว่าในเมื่อคนเราทุกคนเกิดมีอารมณอย่างนั้นขึ้นมาคือตายได้มีสภาพศูนย์จะสร้างความดีไปทำไมมันเป็นการเหน็ดเหนื่อย อย่างคนมาขอทานนี่ผมถือว่าเอาเปรียบผมทำมาหากินเกือบตายแต่าว่าผมนี้ไม่ทำอะไรตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าจะมาขอแล้วเขาก็ไปขอผมก็ให้ไม่ใช่ไม่ให้จะให้ด้วยความเสียดายในทรัตย์ให้เพราะความชำใจผู้ที่ไปเรวยอะไรก็เหมือนกัน เขาเรียอะไรบอกบุญผมเองก็ให้จะให้ไม่มากให้ทมประเพณีให้ไปเห็นหน้ากันการบทรพระเขาไปบอกก็ช่วยคุณคิดวบา ง, งานเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยตัวเองได้ทำไมต้องมามคนชาวบ้านแต่เกรงใจว่าชาวบ้านเขาจะหาวา่าเป็นคนตรนีก็ให้ไม่ตั้งใจเป็นบุญ ตระรงความคุณโยความดีไม่ตั้งใจทำแต่ความชั่วตั้งใจทำนั่นคือการฆ่าสัตว์มาเล่นชีวิตที่เป็นของดีไม่ตัง้งใจรั์มากอิ่มหีพิ ม, มันดีตั้งครอบครัวแต่การในสองการพุ่งพูนอสาสก็เป็นของดกกีก็ตัวรอดได้ก็แล้วกัน าการในสามทรัพย์สินของใครเับะเพลผมก็ขโมยเมื่อได้่เมื่อขโมยมาได้มันก็ดีผมไม่ต้องจทรัพย์สินซื้อการเดือดราเมรัยก็ดีการทาการมีสงสารใจก็ดีผม ก, ก็ทําตลอดทําเพื่อความสุขใจของผมและมันก็เป็นความสุขจริงๆพอทําได้แล้วก็ชุ่มชิ่นใจที่การมสีสงสาจใจนี้ชื่นใจมาก แต่สำหรับกนหนึ่งสุรามีอะไรก็ทําให้ใจเป็นสุข แ, แรงน้อยมันก็แรงมากเคยพูดเสียงเบามันก็พูดเสียงดังให้ที่ไหนกลัวผีถ้าเขาลือว่าตายแล้วสูญเพรคนได้กว่ามันสูญไปหมดแต่ใจก็ยังกลัวผีอยู่ในเมื่อผมกลัวผีผมก็ดื่มสุรามันเมาแล้วมันก็หายกูัมันก็มีประโยชน์ สถานที่ไหนที่เขานั่งประชุมกันถ้าผมผมว่าเกิดมีความไม่กล้ากันมาไม่กล้าประชุมผมก็เดืสุราอนถ้าเข้าประชุมได้การทําความชั่วมันดีอย่างนี้ครับเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าตายแต่ม่ละมีสภาพศูนย์ก็เลยทําแต่ความชั่วทุกอย่าง แล้วก็ถามเขาว่าแล้วก็ทำไมถึงอยากพบฉันเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่ผมจะตายสองปีลูกษากับปัญญามารับ่างรบับพิธิวัท่าสงได้ซื้อหนังสือไปหลายเล่มเล่มหนึ่งของห็นมีรูปหลวงพ่อปานอยู่ชื่อหลวงพ่อปานนี่ผมยังจำได้ว่าญาติโยมพ่อแม่ปู่ ย, าาาย่ายาใจเขารบมาก จึงเอาประวัติหพ่ไปมาอ่านจริงๆแล้วมันเป็นบัติหลวพรอปานสมกับท่านฤาษียิ่งดำผมก็ชอบใจท่านฤาษียิ่งดาผู้สารนาเรื่องหลวอปานในเรื่องต่างๆมาไล่าฟังจนเขา้าใจแล้วเล่าเรื่ององนรกมีจริงสวรรค์มีจริงท่านไปอนรกได้แตนไปสวรรค์ได้ก็นึกในใจว่าองค์นี้สอนคล้ายๆกับอาจารย์ของเรา อาจารย์ของเราว่าศูนย์แต่ว่าท่านองค์นี้ว่าไม่ศูนย์ลูกเมียผมก็ดีลูกก็ดีเขาบอกไม่ศูนย์เขาก็ตั้งใจทํานบุญกันญาติพี่น้องหลายๆคนก็ตั้งใจใจทํานบุญกันแต่ผมต้องสามสิบคนนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ว่ามีาปฏิบัตปทาเหมือนกันอยู่ของคนละจังหวัดสําหรับผู้โพสู์จังหวัดพิษณุโลก เมื่ออ่านหนังสือธรรมบ้านแล้วก็ตระนึกถึงว่าเราต้องทำเผื่อไว้ถ้าเราไม่ตายจริงๆเราจะไปได้ในความสุขไอ้ตัวที่เชื่อ ว, ว่าตายจะสูญมันยังมีมากไอ้ตัวคิดว่าจะไม่สูญมันมีน้อยจะในเมื่อพอตายพอตายเข้าจริงๆมันก็ไม่สูญมาบอะพร ะ, ร ะ, ระกากตัวอย่างอย่างนี้เพราะอยากจะขอบุญบา ร, รมีชาวท่าน ก็าถามว่าจะขออะไรเขาบอกว่าอยากจะขอโมทนาบุญจึงถามว่าในเมื่อนายในเรื่องเทวดาพามาทําบ้านเข้าใจการทําบุญและใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขามีพระมาสวดอภิธรรมมีเรี่ยงเพลินชันชันช้าฉันเรี่ยงเป็นพระฉันเป็นพระชันเชื่ยงเช้าพระเรี่ยงกันเช้าต้องเพลิ ในระหว่างนี้เขาจัดงานศพไปแล้วที่จัดงานศพเขาก็เลี้ยงพระทั้งวัดก็องมีเทศถ้ามีการให้ทานเขาก็อทิศส่งสนให้ถาว่าได้รับไหมบอกได้รับก็าถามว่าในเมื่อได้รับแล้วก็พอแล้วนี่ก็ เ, เป็นเทวดาได้แล้วทําไมจะไม่ไปเป็น เ, เพราะว่าจิตมันห่วงท่านเขาอยากจะพบท่าน ให้เทวดาพาไปหาท่าน่อยม่พาไม่พาไปท่านบอกว่าท่านมีหน้าที่พามาเฉพาะที่ตรงนี้ชื่อแว่ไม่ได้เคยบอกว่าปุณที่ต้องการมีอะไรบ้างเราบอกบางทีเขาวันหนึ่งถวายสังฆท า, านเหตการณที่สองเขาอยากไปสวรรค์ให้ทำยังไงก็ตอบว่าไปสวรรค์นั้นมันก็ไปได้แล้วไม่ต้องช่วยกัน สังฆท า, านเขาก็ให้แล้วตั้งใจมูทน า, าก็แล้วกันในที่นี้ไม่มีที่ถวายสังฆท า, านเอายังนี้ดีไหมเธอเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเขาบอกว่าเชื่อแล้วเขาอ่านหนังสือหลวงพ่อปานบอกพระเจ้าจ ม, มีจริงมีจริงก็มีความเชื่อแต่ยังไม่แน่ใจนักแต่เมื่อตายแล้วกลับเกิดใหม่จริงๆอย่างนี้ก็เชื่อทั้งหมด ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็แล้วกันฟังเทศจากฉันฉันก็ลอกแบบท่านมาแต่ก็มันก็ไม่เหมือนทางที่ดีก็รับโดยตรงจากพระเจ้าก็แล้วกันเขาก็ยอมรับเพราะถ้าอย่างนั้นพวกเธอจะโผเนมือขึ้นตั้งใจขอบุญบารมีขอความเมตตาบารีจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ที่านสามารถะส่งเคระห์พระเจ้าที่นิพพานไปแล้วทำไมศูนย์มีท่นอยู่ที่นิพพานเขาก็พนมมือกันก็ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างนี้คือองค์มร t องค์มร t ท่านสเสด็จมาประทับบนแท่านสูนนนถงา ถ, าาาถ้าท่านไงมหาธาตุจำมาวรสีทําไมจึงไม่เทศสอนเขาก็เลยบอกว่าพวกนี้สามารถจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ ถ้าฟังเทศจากพุทธเจ้าจริงๆความเรื่มใสเขาจะมีมากเขาจะมีความเชื่อมัน่นเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่มีความสุขมีทรัพย์สินสมบูรณ์แบบจะบอกเออจริงนะเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสามสิบคนหันหน้ามาทางนี้พวกคนก็หันหน้าหน้าไปหาท่านแล่งยกมือพนมทั้งเพราว่าครูบุษราดูความบุริสุทธิเจริญทั้งหลาย เธอทั้งหลายอาศัยที่รับฟังคําสอนมาว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์คําสอนนั้นใครสอนนันาคตจะไม่พูดถึงแล้วเธอก็มีความเชื่อมั่นว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์อื <c oughs> ถ้าอย่างนี้ถ้าคิดแต่ล ง, ง, งมความมีสภาพศูนย์อย่างเดียว ถ้าก็ทำเดนค ว, วามชั่วเจยวนี้ก็ต้องลงนรกโน่นนรกทั้งกระชี้วิถีนรกคนทั้งหมดที่ยืนอยู่ทั้งหมดเป็นหมืนคนทั้งหมดนี่ไม่มีโอกาสไปสวรรค์ต้องไปนรกทั้งหมดกว่าจะขึ้นมาจากนารกได้ต้องใเวลาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลายหลายกับแค่พวกเธอมีบุญเธอจะ ท่านถามว่าเธอทั้งหลายอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมเพราะความเป็นมนุษย์มันแสน จ, จะลาบากเธอทั้งหลายก็แต่วาไม่อยากเป็นพระเจ้าค่ะฉันถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มีสภาพไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ต้องทํามาหา ก, กินทุกอย่างต้องลาบากจายการกระทกระทั่งในอารมณ์แล้วมีการป่วยไข้ไม่สบาย มีความปรารถนามากกว่าจะสมหวังถ้ามีความตายเป็นอันดีสุดที่แรกคิดว่าตายแล้วส่วนก็หมดสภาพกันแต่ถ้าตายแล้วไม่สูวนยังมีความรู้สึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของไม่ดีก็ยังเป็นห่วงบุตรพัญญาว่าเธอยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าเธอก็ดีพุกคนเขาทัาเาเกเคารบเจอสีแดงดำกัน ผมนี่อยู่ถึงวิทยุโลกก็มีเชียงรายก็มีแม่อสอนก็มีเขาก็มากันแม่อสอนอยังไกลามา ก, กว่าถึงเวลาเป่ายังก็ะเพ็ดก็มากันแต่ผมไม่มาผมไม่เชื่อพระเป่ายังก็เพชรที่เขาไม่เล่าก็ไม่ไม่มีอะไรให้นั่งภาวนาพุโทโธ ถ้าเป่าแงกอเพชรด้วยก็ะดอกก็ให้ด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงถามว่าเวลานี้เธอเชื่อหรือ ย, ยังว่าตายได้ไม่สูญเขาตอบว่าเชื่อแล้วถ้าอยากจะไปไหนก็อยากจะไปสวรรค์สวรรค์เป็นของดีหรือพระพทุทธเจ้าถามก็ตอบว่าสวรรค์เป็นของดีมีความสุขตามที่ต้อตงเสียต้องหอบปันท่านร์จสียตั้งดเขียนไว้ ฉันก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เธอเชื่อหรือยังว่าสวรรค์มีพอเชื่อแล้วเจ้าค่ะแล้วบอกดินแดนแห่งนี้ก็เป็นดินแด น, นของสวรรค์ท่านพญายมนีพระยายมท่านเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้ายมมาอยู่ในดินใดของนรกโน่นนรกอยู่ไกลามากท่านชี้ไปทางนรกเพ่งไกลเกือบสุดทุกตาแสงไฟสว่างมากเป็นประเด็นดับแล้เป็นกว้างมากหายสุดไม่ได้ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสถาคุจเทศถ้าการเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรมก็ดีแ้าเป็นมนุษย์ก็รมก็มีสภาพคล้ายคึงกั น, กนที่คือมีความเกิดถ้วก็มีความแก่แล้วก็มีความตายแต่ถ้าว่าเธอทั้งหลายการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของไม่ดี เทวดาก็ดีเจ้าพรมพุทธองค์ก็ดีนางฟ้าก็ดีดีเหมือนกันมีความสุขไม่มีงานทำมีความอิ่มจากความเป็นทิพย์แต่ถ้ว่าเทวดานางฟ้าและผมก็มีอายุไม่นานเมื่อหมดวุณวสนาบารมีญาพวกเธอให้งพุ่งหลา ล, าลงนรกทันทีเธอทั้งหลายต้องตั้ ง, งใจตามนี้ ยังคิดว่าต่อ น, นี้ไปเราจะเป็นเทวดาแต่ว่าจะเป็นเทวดาอยู่ได้ไม่นานนักก็ต้องจุดติเมื่อจุดติแล้วเพราะอารมณ์ที่คิดว่าโลกความตายคนตายแล้วศูนสร้างความโชั่วไวมากให้ความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นมันจะบันดาลให้เธอลงนรกทันทีเพื่อเป็นการหนีนรก ตอนนี้ไปขอเธอต้องคิดว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงหรือความตายเป็นของเที่ยงจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็ต า, ามก็ต้องตายทั้งหมดในเมื่อต้องตายตายจากคนเทวดานางฟ้าผมก็ต้องผงคลุเหลาลงนรกให้ตักสิ้นต่อไปว่านอกจากเราจะนึกถึงความตายแล้วก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง ให้ปเป็นที่พึ่งต้องนึกตลอดทุกเวลาพระจเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นชมไม่ไม่มีงานเนื่อนึกเนก น, กนึกถึงพระตลอดเวลาแล้วก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้พระอยู่ที่ไหนพระพุทธเจา้าปฏิพันแล้วพระรหันทั้งหมดส่วนใหญ่ปฏิพันธ์ที่เหลือก็ไม่เท่าไรในประเทศไทยก็ยังเหลือพระรหันอยู่อีกเวลานี้ประมาณสักสักสิบองค์ แต่ว่าสนักพระอรหันยู่กใกล้บ้านถือถือเขาไม่ไปไอ้วัดถ้าสุวรรณไกลแสงไกลเธอจะไปได้ยังไงเธอไม่เช <een> ื <ger> imes imes ่ออรหันถ้าเธอก็ต้องตัดสินใจวัดตำบับนี้ไปต้นไปเราจะเชื่อพระอรหันเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเชื่อพระธรรมต่อจากนั้นไปท่งนบอกว่าทรงตั้งใจรักษาศีลห้า จะเป็นชิ้นห้าเป็นชิ 8, ้นแปดชิ้นสิบก็ตามเธอตั้งใจรักษาถ้าเธอจะมีความสุขสรความสุขท่านก็บอกวชิ้นห้ามมีอะไรบ้างอปานาทินากะเมโมสาสุราเทวดาไม่มีโอกาสจะทําอยู่แล้วเธอดม่ก็โอกาสปลอดแต่จิตค่ดเลยว่าเราจะไปนิพพานท่านก็ชี้ไปที่นิพพานเห็นนิพพานสว่างไสวมากเมื่อท่านเทศจบ คนทั้งสามสิบคนก็กราบเพราะกราบครั้งที่สามพอเงยหน้าขึ้นมาก็ปรากฏว่าร่างกายทุกคนเป็นเทวดาหมดที่ฉันมากราบอาตมาแล้วขอขอบคุณท่านที่ยางเขียนหนังสือผมมีความเขา้าใจไม่ไงั้นผมก็แย่แล้วถูกไปไม่ถูกข้อนตีถูกดับฟันลาบากมากแต่ทุกคนก็ลาอาตมาลาพระเจ้าขอกราบายินดีทั้งตัว ก็ดูไปตามเห็นมีวันสวยสมากมากเครื่องประดับกายทั้งหมดเป็นสีขาวล้วนเป็นเพชรใสล้วนไอมาล้ก็ขาวใสเป็นเพชรหมดถ้ากุพระเธอก็มีความสุขหลังจากนั้นไปยายมราะจึงมาขอบคุณบอกผมขอขอบคุณท่านถ้าท่านไม่มาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มาให้บัดนี้ท่านมา ท่านแนะนำคนตั้งนนหลายเ่านั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านออกมาคงก็ตั้งใจฟังเทศเพราะเขาได้บุญไปด้วยพระเจ้าท่างเลยบอกว่าพญายมไม่ต้องกลัรอกเธอนั้นงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเมื่อหมดภาระของเธอแล้วก็ต้องาผานิพานรัมดาญาโยมขธบริษัทตั้ตงหลายทุกท่านวันนี้เหนื่อยมากเวลาหมดแล้วขอาลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัพฒนาองคน์นสมบูรผลผ ล, ผล จงมีแต่บรรดาธรรมพุทธศาสิาที่ควรรับฟังทุกท่านตอดที